มันจะอย่างอย่างคนที่ที่ยินดีในการงานอะถ้ายินดีอยู่แค่การงานเล็กๆขนาดนี้มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไปคิดยินดีการงานเนี่ยเออกุฏิของเรามันต้องหลังใหญ่ขนาดนี้ศาลาวัดเรานะมันต้องกว้างเท่านี้ใหญ่เท่านี้จะต้องมีช่อรอะไรก็รกว่าดกันไปเนี่ยนะเราจะต้องใช้อะกระเบื้องชนิดนี้ใช้หลังคาชนิดนั้นนะเล่าให้ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งเวยเราก็อยากจะสร้างศาลาก็เลยไปสร้างศาลาแล้วก็สร้างเวกลางน้ำด้วยนะ แล้วก็ใช้เหล็กเหล็กเห ล, ล, ล็กเสาก็ต้องเหล็กโครงก็ต้องเหล็กะแล้วก็กลางน้ําโอ้ยคิดกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟแบกหินแบกกิดแบกปูนแบกทรายเนี่ยนะบานี่ยสลอบปอกเปิกหมดเลยนะทำอยู่อยนอนไม่ค่อยหลับในช่วงนั้นนะทําอยู่ประมาณเกือบครึ่งเดือนแหมอยากจะให้งานมันเสร็จไวๆจะได้เลิกสักทีมันก็ไม่ยอมเสร็จเนี่ยนะโอ้ยทุกข์จริงๆแต่เชื่อไหมว่าระยะเวลาช่วงนั้นสิบห้าวันเนี่ยนะ แทบไม่ได้อ่านาก็ตไปดกไม่ได้คิดถึงคำสอนอะไรคิดว่าไอ้ตรงนี้กับตรงนั้นอ่ะมันต้องต่อมันต่อมันยาวกี่เม็ดนะั้วมันขาดเท่าไหร่นะี่มันก็อยู่เท่านั้นแหละอ๋อสงสารตัวเองเลยนะโอ้ยทาเสร็จแล้วบอกเข็ดจนตายอย่างนั้นไม่ได้คิดถึงคำสอนเลยนะี่ยนะนะคิดบ้างอะใครนะจะมาช่วยเราตรงนี้ได้บ้างนี่มันขาดปูนอีกหลายลูกเหมือนกันนะเนะีนะ่ยนอะไรเงีนะ้ ก็เข้าใจแล้วอ๋คนที่เขาคิดหาสตังค์นี่เขาคิดกันอย่างนี้นี่เองอ่ะเก็ได้ความคิดขึ้นมาอีกอันหนึ่งอ่ะนะก็ได้ความฉลาดเท่านั้นแหละว่าโอ้คนที่เขาสแสวงหากามนะเขาคิดแบบเราตอนนี้แน่นอนเลยนะเพราะเราก็คิดเอ้ใครจะมาช่วยทําศาลาหลังนี้ให้มันเสร็จให้ได้นะนะเชื่อไหมเสร็จแล้วมแทบไม่เคยเข้าไปเหยียบอีกเลยอ่านะจากมาแล้วเนี่ยประมาณหปีหลังมาไม่เคยไปแทบไม่เคยไปเชอ้อดูว่าที่ทำนี่มันเป็นยังไง ที่แน่ๆทะลอกปอกเปิกโยมเข้ามาบนวอุย้ยทําเสร็จหมดไปเยอะแยะมันก็ไม่อยู่อีกนี้อีกนะก็จะไปว่าอะไรเด็กๆก็ไปแล้วอ่ะนั้นบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยบางองค์ในทำทำซะจนฟุ้งซ่านทีเมื่อทํางานพวกนี้มันก็ ม, นกมันก็ทะเลาะกันก็มีเนี่ยนะมื่าทะเลาะการขาดเมตตาต่อการจิตใจมันก็หยาบก็อย่างว่าเกี่ยวข้องกับขอ ง, ของยยใหญ่ๆใจมันก็หยาบเหมือนกันนะเกี่ยวข้องกับอิดหิน ป, ปูนทรายใจมันก็ใจหินใจอิดใจปูนใจทรายไม่ใช่ใจสมถะวิปัสสนาเท่าไหร่ มันก็เลยพันพระองค์ก็จึงบอกว่าถ้ายังยินดีในสิ่งเหล่านั้นนะนะก็เสื่อมมันนะถ้าไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เสื่อมแต่ถ้าคนที่เป็นมาดูว่าพระพิสุบางรูปที่ท่านฉลาดนะก็บอกว่ากระทำกิจเหล่านั้นในเวลาที่สมควรทําเท่านั้นเพราะฉะนั้นได้เวลาอุเทศก็จะอุเทศหมายว่าเวลาศึกษาเล่าเรียนคําสอนก็เล่าเรียนคําสอนเว ล, า, เสเลาสาธยายก็สาธยายเวลาปัดกวาดลานพระเจดีย์ธรรมจริยวัตรเป็นต้นก็ประพฤติ ป, ปฏิบัติเหล่านั้นเวลาเจริญกรรมฐานก็เจริญกรรมฐาน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 เพราะฉะนั้นนั่งนั่งสมมติถ้า่านั่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยสร้างกุฏิเสร็จไปเกือบหลังพอดีนะถ้านั่งสักชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จศาลาไปหลังหนึ่งเลยนะนะหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังบอกว่าไม่รู้นะนั่งเห็นแต่อิฐหินปูนทรายอยู่เนี่ยเขาบอกงั้นก็ ถ, ถูกแล้วล่ะหลวงพ่อสร้างหมดไปตั้งหลายล้านมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว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 เรีว่าณะพัสสารามาดังนี้บอกว่าภิกษุใดเมื่อทําการเจรจาปราศัยด้วยเรื่องเพศหญิงเพศชายก็แปลว่าพูดเดรชาณคาถาเนี่ยนะเว้นไว้แต่คุยอริยสัจนะคุยได้ทุกเรื่องเว้นแต่อริยสัจเนี่ยนะพอพูดอริยสัจปั๊บเริ่มง่วงเลยอย่างเงี้ยหมดเวลาผ่านไปทั้งกลางวันกลางคืนคุยกันไม่มีรู้มีจบเนี่ยนะเรียกว่ายินดีในการพูดการคุยนะแต่ถ้าภิกษุใดพูดธรรมะคือพูดอริยสัจแก้ปัญหาในอริยสัจ อย่างนี้ไม่ชื่อว่ามีการพูดคุยกันเป็นที่มายินดีเ็แล้วคุยจบเป็นด้วยเพราะมันจบลงที่การที่ประชุมอริยสัจเป็นต้นเนี่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าจบเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้ า, าตรัสไว้ว่าภิกษุผู้ประชุมกันควรมีกิจอยู่สองอย่างการณียะคือกิจสองอย่างคือหนึ่งผู้ธรรมะหรือสนทนาอริยสัจสองนิ่งอย่างภาเริยะก็คือนิ่งแบบเจริญกรรมฐานถ้ายังถ้าพูดสนทนาธรรมก็ไม่ไม่เรียกว่ายินดีในการพูดคุย ะนะเพราะจิตใจใคข่ควรไปกับคำสอนใขค่ควรไปกับอริยสัจธรรมนั่นเองแต่ถ้าคุยเรื่องอื่นในทุกเรื่องเวน้นแต่คำสอนเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็น่าเห็นใจะนะวันนี้มติชนไทยรัฐเดลินิวออกอะไรวัางแล้วคุยย้อนถ้าอย่างนี้ก็น่าสงสาร่ะเนาะดูก่อนพิสู่ทั้งหลายและพิสูจนทั้งหลายยังจะไม่มีการหลับเป็นที่มายินดีจากไม่ยินดีในการหลับ จากไม่ประกอบเนืองๆซึ่งความหลับตลอดการเพียงไรที่สุทั้งหลายพึ่งหวังความเจริญอย่างเดียวฮะความเสื่อมม่ได้นะนิทารามานเนี่ยนะนิทรานะนิทรารมนั่นเองนิทรารมแปลว่าชอบนอนภิกษุใดเดินก็ดีนั่งก็ดี น, ดนอนก็ดีถูกผีห น, น้ามิทะครอบงำได้หลับได้ทั้งนั้นแหละที่สุนี้ชื่อว่ามีการหลับเป็นที่มายินดีแปลว่านิ่งก็เป็นหลับเลยอย ง, ง, งเงี้ยอย่เงียบๆเมื่อไร่ก็อ้าวหลับไปตั้งนานแลถ้าอย่างนี้แหละ หรือภิกษุใดที่มีจิตยังลงสู่ผวังเขาไปนะอันนี้ขึ้นอีกฝ่ายตรงกันข้ามถ้าหากว่าหลับหรือว่าหลังยังลงสู่ผวังเพราะป่วยไข้ทางกายเนี่ยนะเพราะไม่สบายอย่างที่พระองค์ตรัส ก, กับสัจจการิช น, นว่าดูก่อนอักขิเวสนะเรารู้ยิ่งว่าปลายเดือนฤดูร้อนภายหลังหมายา็ว่ากลับภายหลังจากบินทบาทมาแล้วเราก็จะปูสังคาติสี่ชั้นมีสติสัมปชัญญะ ก้าวลงสู่ความหลับโดยตะแคงข้างขวาแปว่าฤดูร้อนเนี่ยแมอินเดียเนี่ยมันร้อนโหดๆเหมือนกันนะ40องศาขึ้นนะนะเพราะงั้นแมตอนบ่ายๆเนี่ยมันมันร้อนเราอุ่แล้วมันก็เพลียมากเลย mm hmm. ้าไม้พักบ้างเลยมันก็ยากนะพระองค์ก็บอกว่าถ้าไม่สบายลักษณะนี้ไม่เรียกว่ายินดีในการหลับแต่ถ้าตรงกันข้ามแมเมื่อไรก็ง่วงไปหมดเลยง่วงอยู่ตลอดเนี่ยนะ ก็บอกว่าอะไรนะเห็นพระไตรปิฎกก็หาวเลยไงนะพอลิกพระไตรปิฎกปั๊บก็หาววอบวอบยนะนะพอบอกมีเรื่องคุยปั๊บเนี่ยนะอุยตื่นตาตื่นใจขึ้นมาทันทีเลยนะถ้าอย่างนี้ก็ เ, ออเสื่อมนะแต่ถ้าตรงกันข้ามก็จเจริญ ส่วนข้อที่สี่ดูกรพิสูทั้งหลายและพิสูุทั้งหลายลลายัยงจะไม่มีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นที่มายินดีจกไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะจะไม่ประกอบเ น, อเนืองในความคลุกคลีด้วยหมู่คณะตลอดการเพียงไรพิสูทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้หน้าสังขนิการามาเนี่ยนะ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 อมีความฝักใฝ่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วกามีอยู่คำหนึ่งที่เรยียกว่าเป็นคําเน็บแนมเลยนะถากทางเลยก็คือเธอเยือยทยานอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆก็หมายความว่าตรงนี้หมายความว่าเพิ่มพูนต้องปรารถนาคุณที่สูงยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปะน ะ, ะตรงนี้บอกว่าโอรมะมัตตังหรือโอระมัตะเกนะแปลว่าคุณที่ยังมีประมาณน้อยอันตราแล้วก็หยุดอยู่ยังไม่ถึงเป็นพระตุหันถ้ายังไม่เป็นธาตุหัน์และหยุดอยู่ในคุณเท่านั้นเนี่ยแปลว่า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 ดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็อปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้จักยังตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลายหมายคาอว่าภิสูุรูปใดตั้งอยู่ในอปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้ภิกษุทั้งหลายจักเห็นดีร่วมกันในอปริหานิยธรรมเจ็ประการเหล่านี้ตลอดการเพียงไรภิสษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ถ้าหมู่ใดคณะใดสังคมใดยินดีร่วมกันในการเจริญคุณธรรมเจ็ดประการอยู่นี้หมู่นั้นคุ กลุ่มนั้นประชุมชนนั้นก็เจริญโดยส่วนเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เจริญแน่นอนมางั้นน่ะพรองรับรองเลยมางั้นเดี๋ยวพักสักครู่ก่อน